สิกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่อนุเคราะห์สาชีวินีตลอดสองปีเรื่องภิกษุณีทุลนันธา 1,107 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรรามของพระนาถวิทธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาบวชให้สาชีวินีแล้วไม่อนุเคราะห์ทั้งไม่ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ตลอดสองปี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 ให้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ